ถ้าแต่ละคนก็ดูหน้าตานะเรียนหลักไว้เยอะแล้วคือถ้าถ้าหลักแม่นนะการภาวนาไม่ยากหลักแม่นแล้วก็ขยันภาวนาแค่นั้นแหละแต่ถ้าหลักไม่แม่นนะอย่าเพิ่งขยันเดินออกนอกรู้นอกทางไปหลวงพ่อกล้ายืนยันนะสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยตรงกับที่ครูบาอาจารย์สอนมา ถ้าครูบาอาจารย์รุ่นผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจเลยรุ่นเล็กๆอาจจะไม่เข้าใจนะแต่ถ้ารุ่นใหญ่ๆเนี่ยจะรู้เลยบางองค์ท่านก็บอกลูกศิษย์หลวงปู่เทศชั้นผู้ใหญ่นะท่านก็บอกหลวงพ่อสอนตามที่หลวงปู่เทศสอนเปียกเลยภาษาหลอกต่างกันนะครูบาอาจารย์อื่นๆก็เหมือนกันสายสุรินท่านก็บอกว่าสอนเหมือนหลวงปู่ดูลเปียกเลยนะ แล้วก็ถ้าไปเทียบเข้ากับพระไตรปิฎกเทียบเลยนะลงเป็นอันเดียวกันคือถ้าปริยัตปฏิบัติลงเป็นอันเดียวกันไม่ได้เนี่ยต้องระวังแล้วเพี้ยนนักปริยัตอาจจะไม่ค่อยได้เรื่องนะอาจจะกิเลสเยอะอะไรเงี้ยเพราะไม่ได้ภาวนาบางคนไม่ภาวนาส่วนใหญ่ไม่ได้ภาวนาแต่ปริยัตที่เขาเรียนไม่ธรรมดา จำนวนมากเลยหลายสิ่งหลายอย่างเลยซึ่งนักปฏิบัติเนี่ยรู้ด้วยตัวเองไม่ได้โดยเฉพาะในเรื่องของอภิธรรมมันเกินภูมิที่สาวกธรรมดารรมดาอย่างพวกเราจะรู้ได้หมดเราจะรู้เพียงส่วนเดียวเท่านั้นนี่ถ้าภาวนานะแล้ว เ, เราทาบเข้าไปกับปริยัติเนี่ยถ้าเหลื่อมกันแล้วก็พลาดละแต่ต้องดูให้ดีนะปริยัติ ที่เขียนตำรารุ่นหลังๆเนี่ยเพียนก็มีโนะดยเฉพาะอย่างตำล า, าภูมิจัตุกะภูมิจัตุกะนึกออกไหมโลกเป็นชั้นๆน่ะชั้นดินหนาเท่านโย้ยอดชั้นหินหนาเท่านโ้ยอดอะไรนีชั้นน้ําชั้นลมอะไรองี้มันทฤษฎีโลกแบ่นทแท้ๆเลยนะอันนั้นไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพวกนักปราชมาเขียนกันขึ้นเอง ช่วงประมาณปีพันกว่าพศออพันกว่าแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจเนี่ยนะเป๊ะเลยอันนั้นพวกนักปราชญคิดไม่ออกอะ่ะมันเกินภูมิที่จะรู้เงินถ้าถ้าจับหลักที่หลวงพ่อสอนได้นะไปเรียนปริยัติก็ง่ายไปฟังครูบาอาจารย์สายปฏิบัตินะที่ไม่เพี้ยนนะก็รู้เรื่อง หลายคนเลยที่ว่าแต่ก่อนเข้าหาครูบาอาจารย์ฟังเทศท่านฟังไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้ท่านเทศอะไรมาฟังหลวงพ่อก่อนนะเราไปฟังท่านเข้าใจเลยว่าท่านสอนอะไรมันอันเดียวกันทั้งหมดเลยอย่างท่านสอนให้มีศีลมีศีลศีลต้องตั้งใจรักษาก่อนถ้าไม่ได้จงใจไว้เนี่ยไม่เรียกว่าศีล น, นะอย่างถ้าเราแก่งักเลย นะเดินก็ไม่ไหวแล้วอยากมีชู้อะไรเงี้ยไม่มีไม่มีปัญญานะแค่ลุกขึ้นมานั่งอย่างลุกไม่ไหว ง, ง่อยเปรีย้ยเสียขาอะไรเงี้ยเราบอกว่าถือศีล น, นะไม่มีชู้เนะี่ยรักษาศีลกามสุมิชาจาราเวรมณนะีอันนั้นไม่ใช่ศีลหรือเด็กแรกเกิดเด็กเกิดใหม่ๆนะไม่โกหกมันพูดยังไม่เป็นเลยนะอย่นงนั้นไม่เรียกว่าศีล ศีลเนี่ยต้องสามารถทําชั่วได้มีโอกาสทําชั่วได้แล้วไม่ทํามีความงดเบ้นมีเจตนางดเบ้นถึงจะเป็นศีล น, นั้นบางทีคําว่าศีลเนี่ยท่านใช้คําว่าเจตนาวิรัติมีเจตนางดเบ้นเนี่ยหลวงปู่เทศสอนอย่างนี้นะในเรื่องสมาธิหลวงปู่เทศสอนสมาธิสองแบบท่านเก่งนะอ ครูบาอาจารย์อื่นท่านก็เก่งเหมือนกันอ่ะแต่อาจจะไม่เชี่ยวชาญเรื่องสมาธิอย่างหลวงปู่เทศเพราะหลวงปู่เทศเนี่ยท่านติดสมาธิอยู่10บกว่าปี10ปีหรือ13ปีเนี่ยจำไม่แม่นละมันนานมากแล้วเคยฟังหลวงปู่มั่นไปแก้ให้ท่านเพราะฉะนั้นท่านจะชํานาญเรื่องสมาธิมากเลยท่านสอนสมาธิสองแบบสมาธิอย่างหนึ่งเรียกว่าฌานสมาธิอย่างหนึ่งเรียกว่าสมาธิท่านสอนเรื่องฌานกับสมาธิ อันนี้ท่านยืมศัพท์ทางปริยัติมาใช้ความหมายของท่านไม่ตรงกับปริยัตินี่นักปริยัติมาฟังท่านพูดปุ๊บปรามาสเลยว่าสอนผิดนี่ไม่ดูเนื้อหาความจริงตัวฌานเนี่ยที่ท่านสอนนะมันคือตรงกับอารัมมณูปนิชฌานคําว่าสมาธิที่ท่านใช้นะคือลักคนูปนิชฌานสองอันนี้ไม่เหมือนกันแม้ครูบาอาจารย์อื่นจะไม่สอนแยกสมาธิอย่างนี้ ไม่ไม่เคยเห็นนะเรียนจากครูบาอาจารย์มาเป็น10บสองค์หลวงพ่อเรียนเกือบ40่สองค์เคยเข้าไปหาครูบาอาจารย์เราไปฟังแต่องค์แต่องคสอนหลักอันเดียวกันอะ่ะแต่ลูกเล่นหรือมุมมองหรือชั้นเชิงความสามารถพิเศษเนี่ยแต่องค์เนี่ยคนละเหลี่ยมคนละมุมกันหนะลวงพุทธเจะเรื่องสมาธิเนี่ยจะเก่งท่านสามารถแยกสมาธิสองชนิดได้สมาธิชนิดหนึ่งเนี่ยเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียว ท่านเรียกว่าชานชานนั้นแปลว่าเพ่งน่านยืมศัพท์ตัวนี้มาใช้แต่ถ้าทางปริยัตเนี่ยถ้าชานสี่นะชานหนึ่งสองสามสี่จะเป็นสัมมาสมาธิด้วยซ้ำไปความหมายมันไม่เหมือนกันชานเนี่ยจิตไปเพ่งแนบเข้าไปในอารมณ์ที่หลวงพ่อสอนว่าจิตเข้าไปแช่อยู่ในอารมณ์นะจิตมันเข้าไปแนบอยู่ในอารมณ์สมาธิชนิดนี้เอาไว้ทําสมถะไว้พักผ่อนสบายอกสบายใจ สมาธิชนิดหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิมันก็คือลักขณูปนิชานเป็นภาวะที่จิตตั้งมั่นในการรู้ลักษณะของอารมณ์นี่สมาธิมันแปลว่าตั้งมั่นใชท่านไปไปเลือกศพท์มาฌานมันแปลว่าเพ่งท่านก็เลยเอาถ้าไปเพ่งอารมณ์นะท่านเรียกว่าฌานนะถ้ามีสมาธิคือมีใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปรู้อารมณ์แล้วเห็นไตรลักษณ์นี่ ความตั้งมั่นเนี่ยมันตรงกับคำว่าสมาธิท่านก็เลยใช้คําว่าสมาธินี่ท่านเก่งนะท่านสอนเยอะแยะเรียนกับท่านทีแรกก็งงนะแต่ไม่มีสองแบบไม่ได้ยินครูบาอาจารย์วัดไหนสอนอย่างนี้เลยไปหาหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตบอกให้ดูไปเลยไปหาหลวงปู่สิมอะไรเงี้ยพุโทโธพิยนากรอะไรนี่สอน ตอนหลังพอท่านเห็นว่าเราดูจิตท่า น, นก็ท่านพุทโธเราก็พิจรารณาจิตดูจิตอะไรเงี้ยถ้าเราแยกสมาธิสองชนิดนี้ไม่ออกนะการภาวนาเนี่ยยากมากเลยทุกวันนี้ที่ภาวนาผิดกันส่วนใหญ่นะก็เพราะแยกสมาธิสองชนิดนี้ไม่ได้เช่นไปรู้ลมหายใจแล้วไปเพ่งลมหายใจจิตแนบอยู่ที่ลมหายใจสงบอยู่กับลมหายใจไม่เดินปัญญาหรอกสงบเฉย พอแนบไปที่ลมนะลมจะค่อยสั้นขึ้นเรื่อยๆทีแรกลมยาวนะหายใจยาวใจลึกใจยาวพอจิตเริ่มสงบนะลมมันจะสั้นขึ้นสั้นขึ้นมาอยู่ที่ปลายจมูกนิดเดียวเหมือนใครหายใจกุ๊กคี้กุ๊กคีกคก้อยู่ที่จมูกนิดเดียวงั้นที่พระเจ้าสอนเห็นไหมดูก ร, ราภิกษุทั้งหลายหายใจออกยาวรู้หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้หายใจเข้ายาวเริ่มจากหายใจยาวก่อน บทที่สองดูรับภิกษุทั้งหลายนะหายใจออกสั้นรู้หายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้หายใจเข้าสั้นมันจะสั้นลมท่านใช้หายใจออกก่อนด้วยนี่อาศาัศจรรย์มากนะถ้าศึกษาให้ดีถ้าอ่านเพลินเินเนก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็หายใจเข้าก่อนใจก็แข็งเลยขอท่านหายใจออกก่อนบางคนเถียงอีกว่าหายใจออกก่อนไม่ได้ไมันไม่มีลม ในปอดยังไงก็มีลมไม่มีลมไม่ได้หรอกนะเนี่ยหายใจออกนิดนึงก็อย่างดีถนะ้าหายใจเข้าสบายๆไม่ไปดัดแปลงจิตเนะนี่ยพอลมมันละเอียดนะลมมันสั้นสั้นๆใช่ไหมจะอยู่ที่จมูกนิดเดียวเนทะ่านั้นหรือบางคนตั้งฐานลมไว้ที่ใดที่หนึ่งนะเหมือนลมกระทบอยู่ที่เดียวนะั่นเองเสร็จแล้วลมมันจะเปลี่ยนสภาพเป็นแสงสว่าง ใ จ, ใจมันสว่างขึ้นมานะ้วเลยรู้สึกว่าเป็นดวงสว่างขึ้นมาแรกก็สว่างกว้างๆไม่มีขอบมีเข็นนะรู้สึกสว่างบางทีก็ไหววุบบวาบุบาจิตยังไม่สงบจริงแต่มาพอจิตสงบขึ้นนะั้นดวงนี้มันค่อยเด่นขึ้นนะแสงสว่างแสงมันเข้มขึ้นคล้า ย, ายๆแสงที่กระ จ, ระจนะายๆนะค่อรวมตัวเข้ามานะพออยู่กับแสงนี้แล้วแสงนี้เล็กก็ได้นะใหญ่ก็ได้พนะอชำนานขึ้นมา แล้วก็ถ้าอยากรู้อยากเห็นอะไรนะก็อาศัยแสงสว่างนี้แหละส่งออกไปรู้ไปเห็นอยากไปเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์เที่ยวดูจิตใจคนอื่นอะไรเนี่ยนะสว่างออกไปไปดูอันนี้ครูบาอาจารยา์ไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นเล่นง่ายแต่เลิกยากได้นแล้วเสียผู้เสียคนง่ายนั้นท่านสอนมาให้ออกนอกงั้นเราไม่ไปหลงที่ความสว่างพอใจสว่างขึ้นมานะ มีปีติขึ้นมามีสติรู้ทันปีติที่เกิดขึ้นพอสติรู้ทันปีติที่เกิดขึ้นปิติจะดับจิตที่มีความสุขเกิดขึ้นความสุขนั้นมันประณีตกว่าปิติปีติมันวุอหวายพอมีปีติขึ้นมามีสติรู้ทันปีติดับไปเกิดความสุขขึ้นมามีสติรู้ทันความสุขไ ป, ค ว, ไ ป, ค, วไปความสุขดับไปเกิดอุเบกขาขึ้นมา น, นี่จิตมันเดินไปตามลําดับชนัน ยังมีปีติอยู่ก็เป็น ช, นมมชนันปฐมชาตนะก็มีปีติดับไปนะมีความสุขขึ้นมานะในความสุขเนี้ยมันเด่นอยู่ในชานที่สนะในชานที่สองเนียตัวที่เด่นขึ้นมาคือตัวผู้รู้เด่นขึ้นมะาในปริยัติก็มีแต่นักปริยัติอ่านแล้วไม่เข้าใจหรอกนะในชานที่สอง่านจะพูดเรื่องเอโกทิภาวะเวลาเรียนอภิธรรมอะ่ะังเกตไมจะไปไล่องชาตใช่ไหม ค่อยหักองชาดออกไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งพอมาถึงเอโกที่ภาวะอธิบายไม่ได้ไม่รู้ว่าคืออะไรก็ไปสรุปว่าเอโกที่ภาวะคือเอกขตาทำไมเอโกที่ภาวะเอกคตาต้องไปอยู่ในชาดที่สองชาดที่หนึ่งก็มีเอกคตาจิต ท, ทุกดวงประกอบด้วยเอกคตาใช่ไหมนี่นักเรียนอภิธรรมอธิบายแล้วตอบคำถามไม่ได้เยอะแยะเลยนะเพราะว่าไม่ได้ภาวนา ถ้าภาวนาจริงจะรู้เลยเอโกทิภาวะก็คือตัวผู้รู้นั่นเองทำไมตัวผู้รู้เกิดขึ้นมาเพราะวิตกวิจารมันดับยังมีการตรึกมีการตรองในตัวอารมณ์อยู่จิตยังไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูจริงในปฐมฌานนี่ยังตรึกถึงดวงสว่างนั้นจิตใจเข้าเคลียร์กับดวงสว่างนั้นนี่เป็นปฐมฌานต่อมามีตกวิจารดับไปรู้ทันจิต ที่ไปเคล้าเคลียกระดวงสว่างนะรู้ทันเข้ามาที่จิตจิตรวมลงที่จิตอีกทีหนะึ่งวิตก ว, วิจารณ์ก็ดับไปนะเกิดตัวรู้ขึ้นมาใจเด่นดวงขึ้นมาเนี่ยคือชา้นที่สองในชา้นที่สองนี้มีปีติขึ้นมาปีติจะเด่นขึ้นมาความจริงปีติมีมาตั้งแต่ชา้นแรกนะแต่ว่ามัวแต่ไปสนใจเคล้าเคลียกระแสงสว่างนั้นอยู่ก็เลยไม่เห็นปิติในี่พอจิตไม่ไปตรึกไปตรองถึงอารมณ์ สว่างนะไม่เคล้าเคลียอยู่ตรงนั้นแล้วนะจิตถอดถอนตัวเองเออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมันจะเห็นว่ามันมีปีติอยู่กับตัวผู้รู้ผู้ดูปีติไม่ได้อยู่ที่แสงสว่างแต่อยู่ที่จิตนะพอมีสติรู้ทันนะใจตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นปีติแยกกับจิตออกไปปีติจะดับไปเองนะมันเป็นความวุอหวาของจิตพอปีติดับนะจิตเท่มีความสุขนะมันประณีตกว่าปีติ จิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะพอเห็นความสุขก็จะรู้อีกความสุขกับจิตก็แยกออกจากกันนะความสุขก็ดับไปอีกเกิดอุเบกขาจิตทรงอยู่กับอุเบกขาเนะี่ยจิตเดินเข้าถึงฌานที่สนะี่พอถึงฌานที่สี่แล้วถ้าเราเคยฝึกมาแบบที่มันมีเอโกทิภาวะฝึกจนกระทั่งเข้ามารู้ได้นะมันจะทรงตัวรู้อยู่พอจิตทรงตัวรู้อยู่เนี่ยมีทางเดินสองทางนะทางหนึ่ง เดินวิปัสสนาในฌานเลยอย่างได้เอโกที่ภาวาขึ้นมาแล้วเห็นปีติปิติเกิดแล้วดับไปตัวนี้เดินปัญญาในฌานนะทำวิปัสสนาในฌานนะเห็นองค์ฌานนั้นดับไปมีความสุขเกิดขึ้นมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่นะทำฌานอยู่ความสุขก็ดับไป เ, เกิดแล้วดับให้ดนูนี่แหละเดินปัญญาจิตเข้ามาเป็นอุเบกเขา พอจิต ท, ทรงอุเบกขาอยู่ช่วงหนึ่งจิตอาจจะถอยออกมาอยู่ในฌานที่ลึกเป็นอเบกขาถอยออกมามีความสุขนะหรือกระโดดก็ได้ไม่ต้องถอยตามลําดับก็ได้โดดพรวดออกมามีปีติขึ้นมาอีกก็ได้นะหรือหลุดพลั่วออกมาอยู่ข้างนอกเลยก็ได้เนะี่ยจิตจะเข้าเข้ า, อ, าออกๆเวลาเข้าก็ไม่ใช่ต้องหนึ่งสองสามสี่อาจจะเข้าหนึ่งโดดสามขึ้น4ี่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่ความชํานาญ บางท่านท่านเล่นนะหนึ่งไปสลงมาสองขึ้นสอะไรเงี้ยเล่นชำนี้ชํนานาญมากนี่มตนใเทศประหลัดไปธรรมดามไม่ค่อยสอนออกด้วยอย่างเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวมัวแต่เล่นมาพูดถึงหลวงปู่เทศนะท่านเก่งจริงๆเรื่องสมาธิตรงที่ใจมันไปเดินปัญญาอยู่ในฌานเนียแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งไม่เดินปัญญาหรอก นั่นสภาวะดับไปเรื่อยนะจนรวมเป็นเอกคตาเป็นอุเบกขาแน่วอยู่ในตัวผู้รู้นะั้นนิ่งอยู่ไม่ยอมเดินปัญญาแต่พอจิตถอยออกมาจากฌานนะกลับมาสู่จิตของมนุษย์ธรรมดาอยานี้จิตมนุษย์ธรรมดาอย่างนี้ไม่เรียกว่าฌานจิตมีชื่อเรียกว่ากาม า, มาวาจระจิตกาม า, มาวาจัจจรกาม า, มาวาจัจจรคือจิตมันร่อนไปในกามร่อนได้ไปในกามกามคืออะไรกามคือรูป นะคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสทางกายนะจิตพวกเรารั่นเรือยอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายนึกออกไหมลั่นไปเรอแล้วก็ทางใจก็แอบไปคิดเป็นนึกไปปรุงไปแต่งไม่เคยรู้เนื้อรู้ตัวนี่จิตมันหนีอย่างนี้เรียกว่ากา ม, มาวจรสจิตนะถ้าจิตมันแน่วอยู่ที่จิตอันเดียวเนี่ยมันเป็นฌานจิตนะถ้าแน่วอยู่ด้วยการเพ่งรูปก็เป็นรูปฌานถ้าแน่วอยู่ในการเพ่งจิตเองก็เป็นอรูปฌานะมีหลายแบบ ถ้าเพ่งลมอยู่ก็เป็นรูปฌานถ้าเพ่งตัวรู้อยู่ก็เป็นอรูปรชานเนี่ยจะพลิกแพลงได้เยอะนะพลิกแปลงนี่พอถอยออกมาจากสมาธินะจิตถอยออกมาจากสมาธิก็มาเดินปัญญาต่อนี่พวกเราบางคนเข้าเข้าฌานไม่ได้เลยนะเข้าฌานไม่ได้เลยก็ไม่ต้องตกใจไม่จำเป็นหรอกไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเข้าฌานก่อนถึงจะเดินปัญญาได้ น, ะนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองบางคนว่าเราสอนผิดอีกนะ ว่าสอนมั่วต้องเข้าฌานต้องทำสมาธิให้ได้ก่อนหารู้ไหมในสมัยพุทธกาลแท้ๆนะ่พระพุทธเจ้าเคยชีย้ให้ภิกษุดูนะบอกในพิกูุ500รูปเนี่ยมีภิกูุที่ได้วิชาสามนะ60องค์คนได้วิชาสามนะ้ได้ะระลึกชาติได้รู้การจุติอุบัติของสัตว์ต่างๆมันตายแล้วไปเกิดที่ไหนรู้นะแล้วก็ล้างกิเลสได้นี่เรียกวิชาสาม มีอีก60รูปได้อภิญญาหกนะอภิญญาหกเช่นอิทธิวิธีสแสดงฤทธิ์ไนะด้มีที่ผโสตมีทิ่ผจักสนะุระลึกชาติได้อะไรไดนะ้แล้วก็ตัวที่6คือล้างกิเลสได้เนี่ยคนที่จะมีฤทธิ์ต่างๆเนี่ยคือพวกเล่นสมาธินะอีกพวกหนึ่งนะอีก60รูปได้เป็นอุพโตภาคได้ทั้งสมาธิได้ได้ทั้งปัญญานะ งันรวมแล้วอีก320ร้ี่สแบบพวกเรานี่แหละพวกไม่ได้อะไรเลยล้างกิเลสได้อย่างเดียวไม่ชำนิชนานาญในเรื่องสมาธินะเดินมาเป็นพระอราหันต์ชนิดที่เรียกว่าสุขาวิปัสสกะขนาดสมัยพุทธกาลนะพระอราหันต์ส่วนใหญ่ยังเป็นสุขวิปัสสกะเลยนะไม่ใช่ว่าเล่นฌานจนชำนี้ชํนานาญแล้วถึงมาเดินปัญญาเพราะนั้นคิดเอาเองหรอกนะคิดเอาเองทั้งสิ้นเลยแต่ต้องมีสมาธิไม่ได้เล่นฌานแต่มีสมาธิ สมาธิที่ท่านใช้ก็คือตัวรักขณูปนิชานคือสิ่งที่โลวงปูเทศเรียกว่าสมาธินั่นแหละแต่ไม่ได้เล่นฉานงั้นถ้าเข้าใจตัวนี้นะพวกเราก็ไม่ต้องตกใจว่าเข้าฉานไม่ได้ค่อยๆสังเกตแยกธาตุแยกขันไปเลยกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตค่อยหัดแยกไปเรืยแล้วตรงที่จะให้ได้ตัวผู้รู้ขึ้นมาก็มีวิธีไม่ยากเท่าไหร่หรอกแต่ต้องทนหน่อยหนึ่งนะแล้วอย่าโลภ ถ้าโลภแล้ไม่ได้ต้องไม่โลภหาอารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตจะอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองอยุบอยู่กับอะไรก็ได้นะมัยกเวน้นอกุศลอยู่กับอารมณ์ที่ไม่ใช่อกุศลแหะใช้ได้หมดเลยนะเช่นอยู่กับพุโทโธพุโทโธนะแล้วอย่าไปพุโทโธให้จิตนิ่งอย่าพุโทโธให้จิตสงบอย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องเท่าไหร่มันดีเหมือนกันนะแต่ไม่ดีมาก ถ้าเราจะฝึกให้ได้ตัวผู้รู้นะเรามาฝึกแบบนี้พุทโธพุทโธไปจิตเคลื่อนไปจิตไหลไปแล้วรู้ทันนีพอรู้ทันจิตที่ไหลปุ๊บไอจิตที่ไหลจะดับนะเกิดจิตที่รู้ถามว่าเกิดจิตที่รู้ตอนไหนตอนที่รู้ว่าไหลนั่นแหละตรงที่รู้ว่าไหลนั่นแหละคือจิตรู้หละไม่งั้นจิตรู้ไม่ได้ยากเกินไปนะถ้าเมื่อไหร่รู้สภาวะลงปัจจุบันได้นะก็เกิดจิตรู้แต่ว่าจิตรู้เตอนนั้นอายุมันสั้นนิดเดียว แวบเดียวเดี๋ยวมันก็ดับไปไปเป็นจิตคิดอีกเป็นจิตไหลอีกแล้วรู้บ่อยๆนะพุทโธพุทโธจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้นะแต่ก่อนนี้หัดใหม่ๆไหลไปนานใช่ไหมต่อมาพอชํานาญขึ้นจําสภาวะที่จิตไหลได้แม่นขึ้นแม่นขึ้นสติเกิดเร็วขึ้นเราไปจิตไหลแวบรู้สึกเลยพอไหวแวบรู้สึกแวบรู้สึกเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาจะรู้สึกใจตั้งมั่นจะรู้สึกเหมือนมีตัวรู้ขึ้นมาได้ ทั้งๆ ท, ที่ตัวรู้นั้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะตัวรู้ไม่เที่ยงนะถ้าใครเห็นว่าตัวรู้เที่ยงเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านฟันธงเลยว่าพวกมิจฉาทิฏฐินั้นสอนขนาดนี้นะหลวงปู่ล่าภูเจ้าก็สอนเลยใครเห็นว่าตัวผู้รู้เที่ยงนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเคยได้ยินไหมนักกรรมฐานมาสอนกันรุ่นหลังว่าจิตเที่ยงเนี่ยพวกเพี้ยนหนักๆเลยนะขัดกับพระไตรปิฎกด้วยขัดกับที่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านสอนมาอีกเพราะฉะนั้นะตัวรู้เองเกิดดับ เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ไม่รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ไม่รู้แล้วตรงรู้ยังมีอีกสองพวกรู้แล้วเดินปัญญากับรู้อยู่เฉยๆนะมีอีกสองพวกเห็นไหมเรื่องจิตเรื่องใจละเอียดนะได้เหยียดยิบเลยนะต้องหัดภาวนานะฟังทำไปแล้วก็ภาวนาดูของจริงไปทุงจะ่เห็นของโหอัศจรรย์จริงๆเลยนะจิตทำงานได้ตั้งเยอะแยะหลนะวงพ่อรู้ได้ไม่หมดหรอกนะจากการปฏิบัติแต่รู้จากตาลานะนึกถึง เทียบตำราเออมันจริงอย่างแพนวานั้นทำงานได้ตั้ง14แบบจิตน่ะเพราะจิตนี่มีหลากหลายชนิดของจิตนี่มีเยอะแยะมากเลยนี่เราหัดรู้ไม่ใช่ว่าต้องรู้ทุกอย่างของเรามีจิตชนิดไหนเราก็ดูจิตชนิดนั้นแหละแล้วก็เห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดเราดับเช่นจิตโลภเรามีจิตโลภไหมเรามีจิตโกรธไหมมีจิตฟุ้งซ่านไหม มีจิตโหดโหมีจิตพยาบาทไหมมีจิตมีความสุขไหมมีจิต ท, ทุกข์ไหมเนี่ยเราดูของที่เรามีจิตอิจฉามีไหมจิตอิจฉานี่ยสภาวะดูจากของที่เรามีนะไม่ต้องดิ้นรนดูจิต ท, ทุกชนิดหรอกคนที่ไม่ได้ทรงฌานจะไม่มีจิตอีกหลายสิบดวงเลยคนที่ไม่ได้เล่นฌานเหียงพวกเราเนี่ยจิต ท, ทั้งหมดนะั้นในตําราบอกมี89ดวงใช่ไหมปุถุชน มีมากที่สุด81ขาดไป8ปนะคือโสดาปฏิมัคคจิตโสดาปฏิผ ล, ลจิตนะจนถึงอรหัตมัคคจิตอรหัตผละจิต8ดวงนี่เราไม่มนะีชั้น4ชั้นใช่ไหมชั้นละคู่ชั้นละคู่มัค ก, กับผลมัค ก, กผลเราละแปดวงเราไม่มีนะเราเหลือ81ดวงใน81ดสิเวงนี่จำนวนมากเลยเป็นของผู้ทรงฌานนะทั้งทั้งทรงฌานในลักษณะ ที่จิตเป็นกุศลกับทรงฌานในลักษณะจิตเป็นวิบากอยู่ในในฌานนะพวกเราไม่มีพวกเนี้ยเยอะเลยนั้นเรามีจิตไม่มากนักหรอกที่เราจะเอามาดูได้เรามีจิตอะไรอ่ะมีจิตโลภจิตโกรธจิตหลงนี่แหละมีมากรู้สึกไหมมีทั้งวันเลยจิตอะไรมีมากที่สุดจิตหลงมีมากที่สุดหมายเก่งเก่งมากเลยจิตหลงมีมากที่สุดเพราะอะไรรู้ไหม เพราะจิตโลภนะเกิดเดียวเดียวไม่ได <c oughs> ้จิตโลภจะเกิดนะต้องเกิดร่วมกับจิตหลงด้วยจิตโกรธเกิดเดียวเดียวก็ไม่ได้นะต้องเกิดร่วมกับจิตหลงด้วยงั้นจิตหลงเกิดเดียวเดียวได้ไหมได้ไหมเอ่ยได้ถูกได้เกิดเดียวเดียวไม่ได้ไม่ใช่จิตโลภเกิดเดียวเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องเกิดร่วมกับจิตหลงจิตโกรธเกิดเดียวเดียวไม่ได้ต้องเกิดร่วมกับจิตหลง เนียเราหัดรู้นะหัดรู้หัดดูไปสังเกตไหมมันโลบตอนไหนโลบตอนเผลอนึกออกไหมไม่เผลอไม่โลบหรอกมีสติอยู่นะจะโลบได้ไงเนหะ็น ไ, ไหมมันโลบตอนเผลอนะมันโกรธตอนเผลอนึกออกไหมทันทีที่รู้ว่าเผลอความโกรธ ด, ดับเลยรู้ว่าโกรธนะถ้ารู้ว่าโกรธปุ๊บความโกรธดับเลยถ้ารู้ว่าเผลอนะคราวนี้ยอดเยี่ยมที่สุดเลยทั้งไม่โลบทั้งไม่โกรธทั้งไม่หลงเลยรู้ว่าเผลอ สภาวะที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นสภาวะอะไรนะเป็นมหากุศลอย่างใหญ่เลยนะเป็นกุศลที่พร้อมเลยเรียกอโลภะอาโทสะอะโมหะนะคนส่วนใหญ่นะที่ว่าภาวนาภาวนานะโกรธรูว้ว่าโกรธโลภรูว้ว่าโลภแต่หลงไม่ค่อยรูนะ้เพราะงั้นพวกนี้ปัญญาไม่กลานะ้าพอปัญญายังไม่กล้าพอพวกที่ได้แค่อโลภอาโทสะนะถ้าไปเกิดนะ ก็จะไปเกิดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าวิเหตุกะถ้าวิเหตุกะบุคคลพวกนี้ทําชานทําสมาธิทําอะไรไม่ได้ขาดปัญญาม่ได้มีมมโมหะมากแต่ถ้าพวกเราคอยรู้ทันนะจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้หล ง, ล ง, ล ง, ลงฝึกเรื่อยนะล้างโมหะไปได้โมหะครอบไม่ได้เราจะไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์หรือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมก็ได้แต่เกิดด้วยเหตุสามนะัอโลพะอะโทสะอะ โ, โมหะ อโมหานั่นแหละแปลว่าปัญญาอโมหะคือปัญญานะเพราะงั้นโมหะเนี่ยตรงข้ามกับปัญญาถ้าใครก็าถามเรานะว่าโมหะตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับปัญญาโทสะตรงข้ามกับอะไรโทสะตรงฮะเมตตาตรงข้ามกันนะเห็นไหมสอนเรื่องดูจิตนะลึกนะมันมากเลย อาสจรัณน์อาสจรัณไม่ใช่ประคองจิตให้นิ่งนี่แหละดูจิตมันโถเอ้ยประคองจิตให้นิ่งดูจิตไอ้นั่นมันทําอรูปฌานแล้วเพ่งจิตประคองจิตให้นิ่งให้ว่างหรือไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดอะไรสัอย่างนะไปอยู่ข้างหน้านะลง่ลงๆว่างๆไม่มีกิเลสเลยทั้งวันมีแต่ความสุขนะไม่ใช่นะการดูจิตถ้าจะให้เกิดปัญญาเนี่ยอย่าไปอยู่แค่นั้นไปเพ่งจิตให้นิ่งอยู่ก็เป็นเป็นอรูป เป็นสมถะไปเพ่งความว่างก็เป็นอรูปอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอากินจัน ญ, ญ, ญ, ญายตนะเพ่งความไม่มีอะไรเลยก็เป็นอรูปฌานอีกอย่างเพราะฉนั้นเวลาดูจิตถ้าดูผิดนะจะไปอรูปฌา น, นตายไปเป็นอรูปพรมเวลาพระสีอานมาตรัสรู้นะท่านนึกถึงเราได้ไอ้คนนี้เคยทําบุญเราสมัยเราเป็นพระโพธิสัตว์นึกถึงเรื่องจะไปโปรดมันอ๋มันเวรกรรมแล้วมันไปเป็นอรูปปรมเหมือนอย่างอ า, าลายระดาบกุชกดาบท อารารดาบทอุทกดาบทเนี่ยมีบุญคุณกับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นครูของเจ้าชายสิทธัตถะพอท่านตรัสรูป้ปุ๊บท่านนึกถึงคู่นี้ก่อนเลยเห็นไหมท่านกระตันยูเห็นไหมท่านนึกถึงคู่นี้ก่อนเลยโอ้คู่นี้ตายซะแล้วท่านอุทานออกมาว่าคู่นี้พลาดจากคุณอันใหญ่ไปเป็นอรูปรลมนะไม่มีตาไม่มีหูนะเพราะพุทธเจ้าเทศให้เสียงแห้งเลยก็ไม่ได้ยินเลยพลาดจากคุณอันใหญ่ บางท่านครูบาอาจารย์บางองค์ท่านแปลงง่ายนะบอกชิบหายแล้วทัานแต่อย่างนีนะ้แต่ถ้าภาษาสุภาพพระใจปิดก็พลาดจากคุณอันใหญ่นะเนี่ยถ้าหลงไปอรูปนะถ้าทําผิดจะลงไปอรูปดูจิตนะงั้นดูจิตต้องดูให้เป็นทําอารูปได้ไหมทําได้เพื่อผักผ่อนแต่ต้องรู้ว่าไม่ใช่ทางเดินที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานนะพักผ่อนได้ไหมรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างได้ให้มีเรี่ยวมีแรงนะ ความผิดมีเรื่องมีแรงแล้วเดินปัญญาต่อเลยจะออกมารู้รูปก็ไดนะ้จะไปรู้นามที่เกิดดับก็ได้โดยใช้จิตของมนุษย์ธรรมดาอย่างนี้หรือทรงอยู่ในอรูปนั่นแหละนะแต่นั้นคนที่ทรงอยู่ในรูปแล้วเดินปัญญาได้เนี่ยต้องเชี่ยวชาญในการดูจิตเท่านั้นเห็นสภาวะภายในเนี่ยมันเกิดดับอยู่ภายในมันไหวขึ้นมานะไหววิบวับแวบวบขึ้นมาขาในนะแต่ไม่รู้ว่าคืออะไร ไม่รู้ว่าคือสุขหรือคือทุกข์ไม่รู้ว่าคือกุศลหรืออกุศลนะเนี่ยสติปัญญามันเร็วถึงขนาดเนี่ยเห็นแค่สิ่งบางสิ่งไหวขึ้นมานะอยู่ในสมาธิไหวปั๊บก็ขาดแว้วขาดเลยนะนี่เดินปัญญาอยู่ในสมาธิอีกทีนะอยู่ในอรูปนะงั้นพวกเราในในๆขเรียนกับหลวงพ่อทั้งทีนะค่อยเรียนค่อยๆฟังแล้วก็ดูจากของจริงเทียบไปด้วยท้าท้าท้าถ่ายนะไปภาวนา ไปภาวนานะแล้วดูว่าที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมั่วไหมนะออขอท้านะอัศจ ร, รยนะอัศจ ร, รไม่ใช่ปัญญาตรัสรู้ที่พระพุทธเจ้ากลุยทางไว้ให้ไม่มีทางรู้ทางเห็นตามท่านเลยอัศจ ร, รย์จ ร, จริงๆน ะ, ะไปทัดข้าวกอนแล้วกันวันนี้เทศยากไปไหมวันนี้น้อยๆนะ และส่วนใหญ่เคยเรียนกับหลวงพ่อมามากๆแล้วธรรมะมันก็เลยโลดผนหน่อยนะเชิญ